พระอนุบัญญติหกร้อยหนึ่งพิูพึงทรงอรัตเรกบาดไว้ได้สิบวันเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัณฑิตศกียปาจิตตีเรื่องพระอนุนจบ